ขอสวัสดีเพื่อนสาธรรมิกทุกท่านขอเจริญพรในญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมในที่นี้ทุกท่านในมหามงคลวรโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จบรมบอลพิฎพระราชสมภาราเจ้าผู้ทรงพระคุณอันปเสเิษคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ของปวงชนชาวไทยทั้งนั้นเป็นที่ประจักษ์ชัดกันว่าพระองค์สถิตยอยู่ในหัวใจของคนไทยทั้งชาติการเฉลิมฉลองพระชนมพรรษาหกรอบในครั้งนี้ที่เรียกว่าเป็นเจ็ิบสองพรรษามหาราชานั้นต้องถือว่าเป็นมหาราชาหรือมหาราช ทั้งโดยรูปแบบและเนื้อหาพระองค์เป็นมหาราชทั้งโดยที่แสดงออกให้ปรากฏแก่ชาวไทยและคนทั่วโลกถ้าพูดถึงว่าความตระหนักซึ่งอยู่ในใจของพวกเราเนี่ยชาวไทยเนี่ยคงไม่ต้องบรรยายเมื่อคืนนี้ ที่ท้องสนามหลวงคนแน่นเต็มไปหมดก็ผมเองอยู่ที่วัดมหาธาตุในช่วงนั้นเพราะว่าต้องทำพิธีรับต้อนรับรองอธิการบ ด, ดีที่ได้เลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะจากนั้นก็จะเดินทางไปต่างจังหวัดเฉพาะจากวัดมหาธาตุไปถึงวัดสัมพยา ใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงและออกจากวัดมหาธาตุที่สนามหลวงในช่วงเวลาที่เขาดับไฟให้ประชาชนทั้งท้องสนามหลวงจุดเทียนและได้ทราบว่าจุดเทียนกันทั่วประเทศเป็นภาพที่งดงามมากที่แปลกก็คือว่ารถติดมากคนลงจากรถเดินข้ามสะพาน สำเร็จพระปิ่นเกล้ามาถึงเชิงสะพานก็จุดเทียนเป็นแนวยาวออกไปจุดเทียนจบมีพิธีต่ออีกเล็กน้อยพวกเขาก็เดินทางกลับมาเพื่อถวายความจงรักภัก ด, ดีแสดงออกให้ปรากฏพร้อมใจกันอาจจะเรียกกันว่าด้วยจิตใจที่ลึกซึ้ง เหน็ดเนืเ่อยอยังไรไม่สนใจแล้วก็ทยอยกันเดินกลับพอรถติดมากเป็นภาพที่ยะว่าแต่พวกเราประทับใจเลยเผยแร่ไปทั่วโลกนั้นเขาก็รู้ว่าพวกเรารู้สึกอย่างไรต่อองค์พระมหากษัตริย์ซึ่งตรงกันข้ามจะยกขอยกตัวอย่างให้ฟังกับ พระมหากษัตริย์บางประเทศประเทศใหญ่ใียด้วยอยู่ในประทวีปเอเชียครองราชครบจำนวนปีที่จะเฉลิมฉลองกันไม่ค่อยมีใครรู้ผมได้ไปประเทศนั้นประชาชนก็มาร่วมเฉลิมฉลองนิดหน่อยพอเป็นพิธีเพราะฉะนั้นถ้าในสายตาของชาวต่างประเทศ เขามาเห็นภาพที่ปรากฏตั้งแต่เตรียมการมาจนถึงวันนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาและยิ่งมาเห็นภาพพระภิกษุสามเณรแน่นขนาดในหอประชุมใหญ่พุทธมนทนได้ทราบว่ายังเข้ามาไม่ได้อีกจำนวนมากมาปฏิบัติธรรมในปีพิเศษนี้จำนวนมาก และญาติโยมท่านสาธุชนล้นหลามเรื่องนี้เรียกว่าเป็นการปฏิบัติธรรมถวายพระราชกรุสลเทิดพระเกียรติภาพที่ปรากฏสําหรับคนอื่นนั้นคงเป็นเรื่องที่เข้าใจกันว่าเป็นภาพที่งดงามเพียงไรแต่ขอยืนยันณที่นี้ว่าที่พระคุณเจ้าทั้งหลายและญาติโยมสาธุชนทั้งหลาย เพื่อพระเกียรติพระบาทสําเร็จพระเจ้าอยู่หัวด้วยการปฏิบัติธรรมอย่างนี้นั้นถูกต้องแล้วชอบแล้วเป็นการปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาที่พระเจ้าทรงสรรเสริญปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคลมุตตมังการบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสดุด พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราเป็นผู้ที่เราเคารพสการะบูชาในครั้งนี้และการบูชาในครั้งนี้เป็นการปฏิบัติบูบชาที่ว่าชอบแล้วถูกต้องแล้วนั้นก็ต้องขออ้างคําของท่านอาดีตประธานองคมนตรีท่านอาจารย์สัญญาธรรมศัสตร์อีกสักครั้งเมื่อท่านกล่าวถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ตึกสันติมัตรีท่านปทาทกถาอยู่ครั้งหนึ่งท่านอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ตอนนั้นเป็นประธานองค์มนตรีปรทาทกถาพิเศษเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เริ่มเล่าเรื่องในทรรมนองนี้ว่ามีคนถามท่านอาจารย์สัญญาว่าทําไมโกงอายุอาจารย์สัญญาก็บอกไม่ได้โกงทําไมมาว่าผมโกงอายุ ก็อาจารย์ไปเ่อบอกกับใครตอนนั้นเนี่ยว่าอายุ80กว่าแล้วแต่ดูหน้าท่านอาจารย์นี่เหมือนคนอายุ60เสร็จเด็ด้ไมไปบอกอายุเพิ่มขึ้นตั้งมากขนาดนั้นอาจารย์สัญญาก็บอกว่านี่แกล้งชมกันหรือเปล่าไม่ได้แกล้งครับแต่สงสัยว่าอาจารย์โกงอายุหรือเปล่าอาจารย์สัญญาก็บอกไม่ได้โกง80กว่าจริงๆ คนนั้นเขาก็เลยบอกว่าแล้วท่านอาจารย์มีเคล็ดลับอะไรจึงดูอ่อนกว่าวัยอาจารย์สัญญาธรรมศัก์ก็บอกว่าเคล็ดลับสำหรับผมก็คือผมทำบริหารสองอย่างทุกวันบริหารอย่างแรกก็คือบริหารกายบริหารอย่างที่สองก็คือบริหารจิตบริหารกายคือกายต้องไม่อยู่นิ่ง ต้องออกกําลังต้องเคลื่อนไหวบริหารจิตคือจิตจะต้องนิ่งเป็นสมาธิทำกรรมฐานและผมทำบริหารสองอย่างทุกวันบริหารกายและก็บริหารจิตตั้งแต่เป็นนายกพุทธสมาคมมาจนถึงปัจจุบัน ผมทำกรรมฐานวัน ล, ละยี่สิบนาทีอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ว่าอย่างนั้นและอาจารย์สัญญาธรรมศักดิ์ก็บอกต่อไปว่าแต่ผมยังสู้ในหลวงไม่ได้ในหลวงทรงปฏิบัติกรรมฐานวัน ล, ละสี่สิบนาทีนี่คำพูดของอาจารย์สัญญาธรรมศักดินะ์เนวัน ล, ละสี่สิบนาที กรรมฐานหัวใจของกรรมฐานนั้นคือสติรู้ตัวทั่วพร้อมตื่นอยู่ตลอดเวลาเป็นสมกับเป็นชาวพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานการที่มีสติทำให้อยู่อย่างไม่ประมาทไม่ตกไปจากธรรมะถ้าท่านเสือสติเมื่อไหร่ท่านก็ตกไปจากทางแห่งความดีทั้งศีล ที่ท่านรักษาก็พลาดได้เมื่อมีสติตลอดเวลาถ้าเราเป็นพระแล้วมีสติตลอดเป็นพระท่านก็เป็นพระที่ดีได้ตลอดเวลาเป็นโยมที่มีสติตลอดเวลาก็จะเป็นโยมที่มีคุณธรรมจริยธรรมตลอดเวลาและท่านทราบไหมว่าการเป็นพระมหา ก, กษัตริย์นั้นยากขนาดไหนการเป็นมหาราชนั้นลำบากเพียงใด ถ้าไม่มีสติผมอยากจะยกพระกระแสพระราชดำรัตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่หนังสือพิมพ์นิตยสารเอเชียวีคเผยแพร่ไปทั่วโลกเป็นภาษาอังกฤษแปลเป็นใจความกระแสกระแสพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวนั้นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตรัตมีกระแสพระราชดำรัสอย่างนี้ การจะเป็นกษัตริย์นั้นต้องเป็นกษัตริย์ตลอด24ชั่วโมงเป็นกษัตริย์ตลอด24ชั่วโมงตลอดเวลา 53-54 ปีที่ผ่านมาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะองค์พระมหากษัตริย์ อย่างไม่รู้สึกไม่ย่อท้อมไม่เหน็ดเหนื่อยถ้าไม่มีสติจะไม่สามารถรักษาตามพระประถมรมราชองค์การที่ว่าเราจะคลองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยามคลองแผ่นดินโดยธรรม และมีธรรมะตลอด24ชั่วโมงธรรมะแห่งพระมหากษัตริย์สืบเนื่องยาวนานมาจนถึงปัจจุบันปฏิบัติได้ครบถ้วนไม่บกพร่องทาให้เราได้เฉลิมฉลอง7 2พันสามหาราชามหาราชาแสดงว่าเป็นกษัตริย์เนื้อกษัตริย์ทั้งหลายราชาก็คือกษัตริย์มหาราชาก็คือ t ด e g เกร t มหาราชผู้ยิ่งใหญ่การจะเป็นมหาราชในปัจจุบันนั้นยากยากตรงไหนเพราะมาตรฐานของมหาราชในสมัยก่อนนั้นกําหนดว่าจะยิ่งใหญ่ต้องเกี่ยวกับการปกครองเผยแผ่พระราชานาจัรพระนเรสวนมหาราชพระเจ้าตาดสินมหาราช หรือแม้กระทั่งนโปเลียนมหาราชเกี่ยวข้องกับการรบทับจับศึกเผยแพรพระราชกฤษดาพินิหารถามว่ากษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นเป็นมหาราชได้อย่างไรนี่คือคำถามที่คนทั่วโลกตั้งคำถาม แล้วเขาก็ได้คําตอบหลายปีมาแล้วเขาได้คําตอบว่ากษัตริย์สมัยปัจจุบันถ้าจะเป็นมหาราชไม่สามารถจะรบทับจับศึกยึดเมืองขึ้นเหมือนอย่างสมัยก่อนได้แล้วถ้าจะเป็นมหาราชต้องเอาอย่างคิงภูมิพลพระมหากษัตริย์ไทย ที่ได้รับพระสมัญญาจากพระศกนิกรชาวไทยให้เป็นมหาราชด้วยเหตุผลเดียวคือเป็นกษัตริย์ที่ทรงงานหนักมุ่งในการพัฒนาประเทศชาติช่วยเหลือพระศกนิกรสรุปก็คือว่าที่เป็นมหาราชสมัยใหม่นี้นั้นเลิกการรบทัพจับศึก เพราะาลุกลานเมืองขึ้นทั้งหลายสัาริษชาติก็ลงมาสมัยนี้มีทางเดียวถ้าจะเป็นมหาราชเพราะฉะนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นทรงสร้างแบบอย่างให้กษัตริย์สมัยปัจจุบันทั่วโลกเราจะนึกถึงจั ก, กรพรรดิของญี่ปุ่นจั ก, กรพรรดิโรฮิโตะซึ่งถือว่าอยู่ในจิตใจอยู่ในหัวจิตหัวใจของชาวญี่ปุ่น ถึงขนาดประกาศยกย่องว่าเป็นโอรสพระอาทิตย์ที่สืบสายมาจากเรียกว่าพระเจ้าของชาวญี่ปุ่นสั่งทหารองค์ขององค์พระเจ้าจักรพัทให้หันซ้ายหันขวาได้รบกับสหรัฐอเมริกายกทรงกองทัพเข้ามาในประเทศไทย ย่ำยีกองทัพในทวีปเอเชียแต่ท่านทราบไหมจั ก, กรพรรดิฮิโรฮิโตเป็นอย่างไรผลที่สุดเมื่อแพ้สงครามประเทศสหรัฐอเมริกาบังคับให้กษัตริย์ฮิโรฮิโตประกาศยกเลิกสถานะเป็นโอรสของพระอาทิตย์เป็นเทพเจ้า ลดฐานะมาเป็นกษัตริย์ธรรมดาเป็นจกักรพรรดิธรรมดาเพียงเพราะเหตุที่ว่าจะเป็นจกักรพรรดิแต่เป็นเอ็มเพอเรอร์นั้ น, ไ ป, นแบบไปเรียนแบบจกักรรรติโมตโต้นั้นไปเรียนแบบจักรพรรดสมัยก่อนยกทัพรุกรานแล้วความเป็นจกักรพรรดินั้นก็อยู่ไม่ได้เพราะมันเกิดจากความเบียดเบียน ไม่ได้เกิดจากธรรมะกระผมถือว่าจั ก, กรพรรดิก็ดีมหาราชกรีนั้นเท่าเทียมกันเราเรียกว่ามหาราชเราไม่เรียกว่าจั ก, กรพรรดิพระราชาหรือพระมหากษัตริย์ผู้เป็นจั ก, กรพรรดิได้นั้นในสมัยปัจจุบันต้องเพียบพร้อมด้วยธรรมะขอพูดในที่นี้ก็คือ จักรพัดดีธรรมธรรมะที่ทำให้เป็นพระเจ้าจักรพัดซึ่งเรารู้จักกันในานามว่าจักรวัตดีวัตมาในจักรวัตติสูตรในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าแสดงถึงธรรมะของพระเจ้าจักรพัดไว้เรามาขยายเป็นจักรวัตดีวัตสิสองประการแต่จริงๆแล้วมีอยู่สี่หมวดเท่านั้น ในสี่หมวดหรือจั ก, กรวัดดิวัตเนี่ยสรุปไว้ในเป็นสี่หมวดหรือสี่ประเด็นและทั้งสี่ประเด็นนั้นมีเพียบพร้อมในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในสมเด็จบรมบหาพิตรพระราชาสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอให้ท่านทั้งหลายได้พิจารณาธรรมะของพระเจ้าจกักรพรรดินั้นเพื่อน้อมนํามาไว้ในจิตใจของเราและ จะได้ดำเนินตามรอยพระยุคลบาทเป็นปฏิบัติบูบชาเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราจะเฉลิมฉลองเจ็ดสิบสองพันสามหาราชาก็โดยการน้อมนำเอาธรรมะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติจนได้รับยกย่องเป็นมหาราชเป็นจกักรพรรดิมาพิจารณากันที่วันในสี่ประการนั้น ประการที่หนึ่งพระเจ้าจากักรพรรดิผู้ที่จะเป็นพระเจ้าจากักรพรรดินั้นที่ว่าหมดสมัยธรรมะครูพระเจ้านั้นไม่ลาสมัยหมดสมัยที่จะใช้กองทัพรบทัพจับศึกแต่ให้ใช้ธรรมะวิชัยเหมือนพระเจ้าอโศกมหาราชธรรมะวิชัยคือชนะด้วยธรรมะในจกักรวติสูตรเรียกว่าธรรมาธิปตย เป็นใหญ่มีธรรมะเป็นใหญ่มีธรรมะเป็นหลักและชนะโดยธรรมพระเจ้าอโศกนั้นเป็นกษัตริย์ผู้เหี้ยมโหดในเบื้องตน้นรบทัพจัดศึกไปทั่วอินเดียเข่นฆ่าเฉพาะชาวกาลิงคะเนี่ยกองศพกองซากศพนี่สูงเป็นภูเขาเหล่ากาห้าแสนคน เกิดความรู้สึกวันใจสลดสังเวชไหนสุดได้มาฟังธรรมหันมานับถือพระพุทธศาสนาเลิกเอาชนะด้วยสงครามเรียกว่าสังขามาวิชัยเผยแผ่พระพุทธศาสนาแทนทรงพระมหินทะเถระซึ่งเป็นพระโอรสของพระองค์องเองและพระนางสังคมิตาเทรีซึ่งเป็นพระราชธิดาไปเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศลังกา ส่งพระเถระอย่างพระโสณะพระอุสระมาสวนภูมิซึ่งเราบอกว่ามาขึ้นเรือที่นคนปรปฐมในองค์ปฐมเจดีอะไระต่างๆเป็นที่ระลึกตรงนั้นพระพุทธศาสนาจึงแพร่ไปทั่วโลกเพราะพระธรรมทูตก้าสายที่พระเจ้าอาโศกได้ส่งไปพระเจ้าอาโศกเปลี่ยนคนอินเดียครึ่งประเทศให้เลิกรับประทานเนื้อสัตว์จนถึงปัจจุบันนี้เพราะอาศัยธรรมะของพระเจ้า ถ้าใครไปประเทศอินเดียก็จะพบว่าคนอินเดียนั้นครึ่งประเทศไม่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นว e g เท a r i a n มังสวิรัตเขาบอกว่าเป็นเพราะฝีมือพระเจ้าอาสศกให้เลิกเบียดเบียนสัตว์นี่คือธรรมะของพระเจ้าที่ฝังรากรึก อ, อยู่ในวัฒนธรรมอินเดียพระเจ้าเจ้าชายโชโตปุของญี่ปุ่นเมื่อเขียนรัฐธรมรมนูญญี่ปุ่นฉบับแรก พยายามเรียนแบบพระเจ้าอาโศกอยากจะเป็นอโศกแห่งญี่ปุ่นในสมัยโบราณและธรรมนูญสมัยโบราณของญี่ปุ่นมาตราแรกก็คือให้มีพระรัตนตรัยพระพุทธพระธรรมพระสงค์นี่คือตัวอย่างว่าธรรมวิชัยชนะด้วยธรรมนั้นเป็นแรงบันดาลใจของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างไรไม่ใช่สังคามมวิชัย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราเป็นธรรมมาที่ปไตยถือธรรมะเป็นใหญ่และเอาชนะด้วยธรรมะแต่พระองค์เรียกชัยชนะของพระองค์ว่าชัยพัฒนาชนะด้วยการพัฒนาพัฒนาไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะฉะนั้นลักษณะประการหนึ่งของผู้ถือธรรมะเป็นใหญ่เป็นธรรมมาที่ปไตยคืออะไรคือวางตัวได้ถูกต้อง คนที่เป็นธรรมาทิปไตยจะหลีกเลี่ยงอัตตาทิปไตยคือถือตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางเป็นคนที่ยึดอำนาจการตัดสินใจไว้ที่ตัวเองเพียงลำพังเพราะฉะนั้นเราอาจจะบอกผู้นานี่จะใช้แบบไหนดีมีสามประเภทหนึ่งเป็นอัตตาทิปไตยถือตัวเองเป็นใหญ่เป็นศูนย์กลางแห่งอำนาจ หรือสองเป็นโลกาธิปไตยแล้วแต่คนอื่นจะว่าตัวเองไม่มีหลักการไม่มีจุดยืนหรือจะเป็นธรรมมาธิปไตยเอาธรรมะเอาหลักการเป็นที่ตั้งถ้าเราจะดูว่าการปฏิบัติหน้าที่ที่สมบูรณ์เนี่ยที่เป็นอัตาธิปไตยก็ทํางานได้ผู้ใหญ่บางคนนี่ใช้อํานาจใช้พระเดชมากเกินไปสั่งอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเวลาเป็น ประธานในที่ประชุมนี่คนในที่ประชุมจะเงียบกันหมดไม่มีใครกล้าเถียงเพราะฟังท่านประธานที่เป็นอั ต, ตาทิปไตยนั้นพูดอยู่คนเดียวใครเถียงขึ้นมาก็ไม่ได้แล้วเวลาพูดจบก็จะถามที่ประชุมว่าที่ผมเสนอความคิดเห็นมานี่ใครเห็นเป็นอย่างอื่นบ้างค้านได้แต่คนจะเงียบกันหมด เพราะเวทาเวลาท่านประธานประเภทนี้มองไปทางไหนนี่ลังสีอมหิตมันออกคนหลบตาวูบวาบกลัวอัตตาทิปไตยใช้ประเดชมากไปผู้นําประเภทที่สองเป็นโลกาทิปไตออนแออ่ออนแอแล้วแต่คนอื่นจะว่าแล้วแต่คนอื่นจะเอาอย่างไรไม่มีหลักการไม่มีจุดยืน ผู้นำประเภทนี้ไม่สามารถทำงานได้แต่คนชอบเนะพราะอะไรเพราะไม่ยุ่งกับใครแล้วแต่ใครจะไปทางไหนสเปสสปะมึงโงด่ดีผู้นำที่ทำงานได้คืออัตตาธิปไตยก็ได้ใช้พระเดชได้งานพวกนี้ประเภทที่หนึ่งเนี่ยแต่เสียเรื่องคนคนไม่ชอบพวกอัตตาธิปไตยเวลาเป็นเจ้านายเนี่ยเาจะมีกฎอัตตาธิปไตัยเนี่ยพวกถือตัวเองเป็นใหญ่ จะมีกฎอยู่สองข้อหนึ่งกฎว่าอย่างนี้เจ้านายไม่เคยทําอะไรผิดกฎข้อที่หนึ่งนะเจ้านายไม่เคยทําอะไรผิดกฎข้อที่สองถ้าบังเอิญคิดว่าเจ้านายทําอะไรผิดโปรดดูกฎข้อที่หนึ่งพวกอาจาธิปไตยทํางานได้นะได้งาน แต่เสียเรื่องคนคนไม่ชอบประเภทที่สองโลกาธิปไตยไม่มีหลักการไม่มีจุดยืมยืนและแต่คนอื่นจะว่าเป็นประธานที่ประชุมยังคุมคนไม่อยู่นลเคยไหมครูที่ไปสอนนักเรียนเนี่ยที่เป็นโลกาธิ่ปไตยนักเรียนวิ่งกันเป็นปูจับปูใส่กระดง้งใจดีนักเรียนไม่กลัวเป็นประธานที่ประชุมก็เอาใจทุกฝ่าย ฝ่ายทั้งนี้ซ้ายมือนี่อ๊ย้ยอภิปรายใหญ่ไอ้ควายขวามันก็ค้านประธานพยายามจะเอาใจฝ่ายท้ายก็บอกเออฝ่ายซ้ายมือนี่คุณพูดถูกแล้วประธานฟังแล้วเห็นด้วยเห็นด้วยเลยนี่ไอ้ฝ่ายค้านทางขวามือบอกประธานมันพูดไม่ได้เรื่องประธานไปเห็นด้วยไม่ได้ยังไงเออคุณกับค้านถูกเหมือนกันไหใช่ได้ใช้ได้ ไ, ดไอ้คนเดิทาง ก, ก, กรบประธานมันจะถูกทั้งของคนได้ยังไงประธานทําไมโลเลแล้วเกินอ่ะคุณก็พูดถูกแล้วได้คน แต่เสียเรื่องงานคนไม่ชอบแต่คนชอบแต่งานไม่สำเร็จหลักแห่งผู้นำที่ประสบความสำเร็จไม่อ่อนเกินไปไม่ใช้ประเดษมากเกินไปและไม่ใช้พระคุณอย่างเดียวใช้ทั้งประเดษ<ม>ทั้งพระคุณต้องเป็นธรรมมาธิปไตยเอาธรรมะเป็นและหลักการเป็นที่ตั้ง บางครั้งต้องใช้พระเดชบางครั้งต้องใช้พระคุณดังพุทธพจน์ที่ว่าปักคันเหปักขหารหังยกย่องคนที่ควรยกย่องนิคคันเหนิคคหารหังคมคนที่ควรคมการเป็นธรรมมาธิปไตยนั้นทำให้ได้ผู้นำที่ ทำงานได้ดีได้ทั้งงานและเป็นที่รักของผู้ใต้บังคับบัญชาและคนทั้งหลายได้ทั้งคนได้ทั้งงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั้นเราจะต้องถือว่าทรงเป็นธรรมาทิปไตยและที่สำคัญท่านทั้งหลายผู้นำที่มีผลงานเนี่ยจะมีอยู่สองประเภทก็คืออัตตาทิปไตยถือตัวเองเป็นใหญ่สั่งกับธรรมาทิปไต่เอาธรรมะเป็นใหญ่ โลกาที่ปไตยไม่ได้มีงานอะไรไม่มีผลงานทีนี้ถ้าเป็นอาาัตราธิปไตยนานๆเข้า mm. เขาเรียกว่าผู้นําที่นั่งอยู่บนหัวคนสั่งใช้พระเดชมากไปแต่ผู้นําที่ดีที่สุดคือธรรมาธิปไตยนั่งอยู่ในหัวใจของคนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปฏิบัติพระองค์ให้เป็นตัวอย่างของ ผู้นำที่นั่งอยู่ในหัวใจของพระศกนิกอรทรงประทับอยู่ในจิตใจของคนทั้งชาตินิตยสารเอเชียวิกเท่าไปถ่ายภาพพระบรมชายาลักษณ์พระบรมสารีรักษ์ที่ติดป้ายใหญ่ๆ อ, อยู่ตามที่ต่างๆแล้วก็มาแสดงว่านี่ท่านลงไปดูตามถนนพระราช ด, ดำเนินที่ไหนก็ตามเขาบอกนี่คนไทยจะมีภาพอย่างนี้อยู่ทัท่วทุกบ้าน อยู่ในจิตใจของประชาชนถามว่าอยู่ในจิตใจของประชาชนได้อย่างไรก็เพราะทำประโยชน์ทะ้งนั้นพระเจ้าจากักรพรรดิที่จะประทับอยู่ในจิตใจของคนนั้นต้องมีข้อที่เรียกว่าทำมิกาวรณะและขาวรณะคุตติให้การรักษาป้องกันและคุ้มครองที่ชอบธรรม เพราะฉะนั้นข้อธรรมมาที่ปไตยนั้นก็คือให้การรักษาคุ้มครองป้องกันที่ชอบธรรมอยากจะกล่าวตรงนี้ว่าในหลวงนั้นเสด็จไปทั่วทุกหัวระแหงและทรงมีความสำรานพระราชเจริญในการพบปรับประชาชนหม่อมราชวงศ์พฤกษิปราโมทเคยกล่าวเอาไว้ว่าในหลวงราชการที่หนึ่งเป็นคำพังเพยสมัยโบราณ น, นะหม่อมราชวงศ์พฤกษิตได้อ้างมา ในหลวงรัชการที่หนึ่งโปรดทหารเพราะว่าช่วงนั้นกำลังรบทัพกับศิษรัชการที่สองโปรดกวีและศิลปินสนทรพูดดังมากนในสมัยรัชการที่สองรัชการที่สามโปรดช่างก่อสร้างวัดเป็นคำพังเคยเสมัยโบราณ และหม่อมราชวงศ์เครือวิปลโมดก็บอกว่าขอเพิ่มไปอีกประโยคหนึ่งในคำพังเพยนี้ก็คือว่ารัชการที่เก้าโปรดราษดอนทรงสำราญพระราชธิไทยในการพบประราษดอนที่เสด็จไปที่ต่างๆนั้นทรงใช้เวลาอยู่กับราษดอนฟังปัญหาของเขาและทรงหาทาง รักษาป้องกันคุ้มครองโดยชอบธรรมตรงที่ว่ารักษาคุ้มครองป้องกันโดยชอบธรรมนี่แหละที่ทําให้จกักรวรรดิวัตขยายออกไปว่าประเภทของคนที่รักษาคุ้มครองป้องกันมีหลายประเภทแต่ถ้าจะกล่าวในที่นี้สำหรับพระบาทสมเด็จพะเจ้าอยู่หัวเนี่ยสิ่งที่เรารู้จักกันดีก็คือโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริเนี่ย มีสำนักงานที่ดูแลเรื่องนี้อยู่เรียกว่ากปรรเนี่ยท่านทราบไหมว่ามีกี่โครงการอย่างเช่นโครงการฝนหลวงโครงการแก้มลิงเนี่ยป้องกันน้ําท่วมในกรุงเทพมหานครกปรรก็คือสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำํำริมีโครงการที่พระเจ้าอยู่หัวของเราทรงริเริ่มมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยสามพัน กว่าครงประมาณส0มพันโครงการในสามพันโครงการนี้กรบรอรับผิดชอบมาจนถึงปีที่แล้วสองพันหนึ่งรอยห้าสิบเจ็ดโครงการแต่และโครงการนั้นเป็นประโยชน์แก่ประสงนิกรชาวไทยทั้งสิ้นซึ่งเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยจระไนไม่หมดว่าทรงเริ่มทรงสร้างประโยชน์อะไรอยากจะยกตัวอย่างคือโครงการด้านเกษตร การวิเคราะห์วิจัยพันธุ์พืชใหม่ๆถ้าเข้าไปในในพระราชวังดุสิต ท, ที่สวนจิตรดาน่ยงงนะไม่เหมือนกับวังทั้งหลายในโลกไปวังเวสายลองดูสิอู้ในฝรั่งเศสยิ่งใหญ่พระราชวังในอังกฤษหรือที่ไหนก็ตามมีสิ่งอำนวยความสะดวกความยิ่งใหญ่งดงามตะการตาเหมือนพิพิธภัณฑ์ แต่เข้าไปในวังสวนจิรดาฝรั่งเห็นแล้วงงต้นไม้เพียบเป็นสวนแล้วเขาก็มาบอกว่าวันพระเจ้าอยู่หัวเมืองไทยนี่ทําไมไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกสบายสิ่งบำรุงอานวยความสุขเลยมีกังหันกังหันลมเห็นไหมเราอยู่ข้างนอกแกเห็นผมเข้าไปอสอนหนังสืออยู่ท่านอสอนหนังสือโรงเรียนสวนจิรดาก็เจ้าหน้าที่เขาก็เลยให้วนว น, วนวนวนสมัยก่อนเขามีเวลาก็วนดูข้างใน มีมีนาด้วยนะในวังเสริญจิตเนี่ทุ่งนาวังพระเจ้าอยู่หัวเมืองไทยมีทุ่งนามีชาวนาใส่งอบถือเคียวนั่งคุยกันกินหมากหยับหยับเป็นว่าอะไรเป็นเกาะคล้ายๆเกาะแต่ไม่ใช่น้ำนะเป็นเนินเขาเตี้ยวมีต้นไม้ขึ้นคลุ้มทำอะไรคล้ายๆกับเป็นเป็นอารามคือสวนป่า ห้ามใครเข้าเขตห้วงห้ามเอาไว้ทําอะไรบอกนีม่มลหลวงปู่หลวงพ่อที่เป็นที่เคารพศรัทธาพระราชศรทาเนี่ยมาพักอยู่ที่นั่นเพื่อทําบุญเพื่อสะดับพระธรรมเทศนาให้ท่านมาปฏิบัติกรรมฐานอย่างนั้นหลวงปู่หลวงพ่อเพราะฉะนั้นท่านจะมาอยู่ตรงนี้โอ้นี่ทรงทําทรงปฏิบัติธรรมตลอดเวลา โครงการต่างๆที่แสดงออกให้เราเห็นได้เราพบทั้งหลายที่เป็นประโยชน์เี่ยในพระราชวังอสวนดุสิตเนี่ยถ้าท่านมีโอกาสลองอ่านลองศึกษาดูก็จะเห็นว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์แก่คนจํานวนมากอย่างไรเราก็คงอได้รับประโยชน์อย่างเช่นน้าไม่ท่วมกรุงเทพเลยนะทีนี้โครงการแก้มลิง ในหลวงทรงวงใ่พวกเราโครงการแก้มลิงและเขื่อนป่าศัก์ชนลสิทธิ์ที่สงเปิดฝอยได้รับอา น, นิสงส์กันไปชาวกรุงเทพและปริมณฑลอันนี้เป็นข้อที่หนึ่งแล้วกันข้อที่สองพระเจ้าจากักรพรรดนั้นต้องมีธรรมะข้อที่สองภาษาบาลีเรียกว่ามาธรรมการไม่ปล่อยให้เรื่องไม่ถูกต้องชอบธรรมเกิดปรากฏขึ้นในบ้านเมือง ถ้าเกิดความเบียดเบียนเกิดการทะเลาะเบาแวงขึ้นในสังคมไทยจะส่งลงมาห้ามปราบที่จริงนะ้คนไทยนี่มีบุญนะโชคดีนะมีบุญที่ได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้ในหลวงและมีบุญที่เกิดมาในยุคสมัยของพระองค์แต่ไม่ใช่คนไทยมีความสุขที่สุดในในโลกนะเพราะว่าเราไม่ได้โชคโชคดีทุกอย่างเรามีในหลวงแต่เรารักษา อะไรหลายๆอย่างว่าไม่ค่ยได้เคยมีการทําแบบสอบถามคน18ประเทศทั่วโลกนะประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นจีน18ประเทศเมื่อสักสามสี่ปีแล้วเอแกลลัโพโฮในสหรัฐอเมริกาเขาส่งแบบสอบถามไปทั่วโลก18ประเทศเอาประเทศใหญ่ๆเพื่อสํารวจดูว่าคนใน18ประเทศนี้ประเทศไหนมีความสุขที่สุดในโลก คนในประเทศใดมีความสุขที่สุดในโลกให้ส่งแบบสอบถามกลับมาอันดับที่หนึ่งแปดสิบสองเปอร์เซ็นของผู้ที่ตอบคำถามบอกว่าตัวเองมีความสุขพอใจทุกอย่างคือประเทศไอซ์แลนด์อยู่เกือบเกือบขั้วโลกเหนือนะหิมะคลุมขาวโพรนมีคนไม่กี่แสน แต่รายได้สูงเกือบเกือบต่อหัวก็ต่อค น, นรวยเหมือนกับคนสหรัฐแต่มีความสุขทั้งทั้งที่หนาวจะตายอันดับหนึ่งอันดับที่ห้าเราจะพาะประเทศสาคัญสหรัฐอเมริกาคนอเมริกาบอกมีความสุขแดนดับห้าอันดับเจ็ดประเทศญี่ปุน่นอันดับเก้าประเทศจีนอันดับสุดท้ายฮังการี ฮังการีนั้นมีสถิติว่าเป็นประเทศที่ฆ่าตัวตายมากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกที่อื่นเขาสำรวจไว้อีกโหทุกจริงๆอยู่อันดับสุดท้ายประเทศไทยตอนนั้นเมื่อสามสี่ปีที่แล้วนี่อยู่อันดับที่สี่มีความสุขมากกว่าคนสระดอีนั่นก่อนที่ค่าเงินบาทลอยตัวถ้ามาถามตอนนี้ไม่รู้อยู่อันดับไหนอันดับสี่นะ ที่บอกว่าเรามีความสุขก็รักษาไว้ไม่เคยได้เนี่ยมันฉาบฉวยมันเป็นการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนเรามีความสงบสุขสามัคคีปรองดองกันอยู่พักใช่ไหม อ, อ่าีกแล้วเกิดเรื่องอีกแล้วสองพันห้าร้อยสิบหกเกิดอะไรขัดแย้งกันเรื่องรัฐธรรมนูญที่เราไม่ได้ดำเนินเพราะเรื่องนี้ชอบทะเลาะกันวันมหาวิประโยค พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อ, ออกทีวีเรียกวันมหาวิประโยคสองรอยสิบหกอยู่มาอยู่มาลืมอีกแล้วพฤุสภามินเดือดร้อนในหลวงต้องลงมาห้ามการที่ลงมาห้ามความขัดแย้งนั้นคือมาอาธรรมการไม่ปล่อยให้ความถูกต้องไม่ชอบธรรมเกิดขึ้นในแผ่นดินเมื่อวานทรงทรงพระราชทานพระบรมราชโองาเรื่องอะไร ปัญหานี้เพราะคนไทยไม่รู้รักสามารถขี่กันมันจึงเกิดเรื่องบางทีอยู่ดีๆก็มาทะเลาะ ก, กันอีกแล้วไม่รู้เป็นอะไรทนะ่านรบรมราชาโชวาดเมื่อวานที่สำคัญนั้นคือประเด็นให้คนไทยนั้นมีไมตรีมีความเมตตาต่อกันรวมพลังกันเป็นหนึ่งได้เมื่อไหร่ เราจะเป็นประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกเราดีทุกอย่างเสียอย่างเดียวดีมากๆดีแตกทะเลาะกันผลัดกันดีดีทุกคนชิงกันดีไม่ดีสักคนต้องจำพระบรมราโชวาทที่พระราชทานเมื่อานนี่คือหัวใจเมตตีหรือเมตตานั้นคือความรัก รกรมเกียวกันเป็นหนึ่งนั้นแสดงออกปรากฏในพระราชจริยาวัติของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะฉะนั้นท่านอานัน์ปัญญารชชนอดีตนะคุณฟรีเวลาให้สัมภาษณ์เอเชียวิจิงบอกว่าในหลวงไม่ใช่เป็นแต่เพียงสั ญ, ญลักษณ์แห่งยูนิตี้หรือเอกภาพไม่ใช่ซินบอนไม่ใช่สั ญ, ญลักษณ์แต่เป็นผู้ดาเนินการให้เกิดเอกภาพเป็นผู้ลงมือทำให้ประชาชนคนไทยทุกหมู่เรา รู้รักสามาัคคีพูดงว่าไม่ใช่อยู่ดีๆเนี่ยคนไทยจะมารู้รักสามัคคีนะต้องในหลวงลงมาช่วยมาประสานและทรงเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องนี้มานานกี่ปีและเมื่อไรคนไทยจะช่วยลดพระราชภารกิจอันนี้หันมารักสามาัคคีปรองดองกันด้วยตนเองเสียทีมีไมตรีต่อกัน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 ขอให้ในหลวงอย่างน้อยบา ร, รมีในหลวงมาช่วยคุ้มครองรักในหลวงห่วงลูกหลานช่วยกันต้านยาเสพติดคำนี้ขลังมากถวายไม่ใช่อยู่เองแล้วบา ร, รมีปกป้องคุ้มครองเราและต่อไปในต้นปีหน้าแล้วคงจะมีการเลือกตั้งทั้งสอวอสอสอเลือกคนดีเข้าสภาถ้าเราเลือกคนดีเข้าสภาก็คือ อย่าให้คนไม่ดีมาทำลายบ้านเมืองมาปกครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเตือนพวกเราไว้อย่างไรเมื่อปี2512มีพระบรมพระมรดราโชวัวาเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าสรงพระราชทานในงานชนมลุกเสือ ล, ก, ลกเสือแห่งชาติปี2512กระแสพระราชนัดว่าอย่างนี้ ในบ้านเมืองนั้นเรื่องนี้คนรู้กันทั่วมาธรรมการอย่าให้เรื่องไม่ดีแพร่หลายในบ้านเมืองคุกอย่าให้คนไม่ดีมาปกครองบ้านเมืองพระบรมราโชวาตว่าอย่างนี้ขออ้างมาในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติปกติสุขเรียบร้อยจึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หาแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอํานาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้พระบรมราโช ว, วาทนี้ก็หมายความว่าอย่างไรในการที่จะเลือกผู้แทนเลือกสวสพิจารณาให้คนดีไปปกครองบ้านเมืองทรงห่วงใยนี่คือธรรมะข้อมาอธรรมการข้อที่สอง อย่าให้สิ่งไม่ดีไม่เป็นธรรมปรากฏในพระราชณาจักรประเด็นที่สามธรรมะของพระเจา้าจักรพรรดิหรือจักรวรรดิวัตรประเด็นที่สามก็คือทานานุประทานหมายถึงการแบ่งปันทรัพย์ให้กับประชาชนผู้ไร้ทรัพย์ยากจนถ้าพูดในภาษาสมัยนี้คือว่าแก้ไขปัญหาความยากจนคนยากจนโดยเฉพาะในภาคเกษตร มีมากในหลวงทรงห่วงใยแนวคิดแนวกระแสแนวพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่ผมอยากจะให้พระภิกษุสา ม, มนเณรช่วยกันเผยแพร่พ ร, พ, รพระราชกระแสพระราชดำริเรื่องทฤษฎีใหม่ไปศึกษากันหน่อยเพราะเราอยู่กับชาชนอยู่กับชาวบ้านในชนบทในหลวงสอนเรื่องทฤษฎีใหม่ไว้อย่างไร ถ้าใครไปดูวัดนะฮะมงคลชัยพัฒนาที่สระบุรีนะฮะพอดีอยู่ในเขตปกครองปกครองภาคสองไปดูเลยครับอยู่ในเขตภาคผมเนะี่ยมงคลวัดมงคลชัยพัฒนาที่สระบุรีแนวคิดเรื่องทฤษฎีใหม่เรื่องของการมีแหล่งน้ําวัดนี้ช่วยสร้างแหล่งน้ําให้ชาวบ้านอย่างไรลองไปดูนะครับ มีพื้นที่อยู่เท่านี้จะใช้ให้คุ้มค่ายอย่างไรเนี่ยทรงเผยแพร่เพื่อแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกรไล่นาะสวนผสมทำอย่างไรซึ่งไม่มีเวลาที่จะกล่าวในที่นี้ต้องไปดูในรายละเอียดแล ะ, ละช่วยกันได้อีกเรื่องหนึ่งเศรษฐกิจพอเพียงผมอยากจะถามในที่นี้ว่าท่านถ้าท่านจะเทศเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ย ที่พระบาทสมเด็จพระยูหัวที่ในหลวงของเราทรงเผยแร่เนี่ยอ้างบาลีอะไรเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเรื่องสำคัญอย่างไรและเป็นการปฏิบัติ ธ, ธรรมะอะไรเศรษฐกิจพอเพียงอาจจะมีอยู่สามเรื่องสามประเด็นประเด็นที่หนึ่งคว่าพอสันโ ด, ดรู้จักพอใจอย่าไปแข่งเพื่อความเป็นนิคเพื่อความเป็นเสือตัวที่ห้า ให้พอใจกับสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ทำประเด็นที่สองให้พอเพียงที่จะพึ่งตนเองได้ที่เรียกว่า sufficient, s u f f i c i e n t self s u f f i c i e n t อัตตาหีอัตโนนาโถตนแลเป็นที่พึ่งของตนประเด็นที่สามเศรษฐกิจพอเพียงต้องมัดตันยุตารู้จักประมาณรู้จักความพอดีคือทางสายกลาง มัชฌิมาปฏิปทาท่านลองไปขายายตรงนี้แล้วก็ทําให้ประชาชนคนไทยได้มีความรู้จักพอดีเศรษฐกิจพอเพียงมีความสุขถ้าเรามีตรงนี้เลยนะคนไทยก็จะมีความสุขมากทีเดียวเศรษฐกิจพอเพียงประเทศไทยของเราที่เศรษฐกิจมันฟองสบู่แตกเนี่ยเพราะเราไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนอยากจะพูดทางสายกลางไว้ตรงนี้สักหน่อย ทางสายกลางคืออะไรบางคนก็บอกว่าทางสายกลางนี่ก็คือดูสุดตรงนลยสองมุมแล้วก็วัดให้มันได้กลางพอดีเลยใช่ไหมขับรถกลางถนนทางสายกลางใช่หรือเปล่าดูว่าเพื่อนนีทานกว๋วยเตี๋ยวกี่ชามโอ้หหมอนี่แปดชามอีกคนหนึ่งหนึ่งชามเพราะฉะนั้นเราสี่ชาม กำลังพอดีมาพุทธมนฑนนี้ขอสี่ชามเทศวันนี้บรรยายธรรมวันนี้ควรสักกี่ชั่วโมงก็ไปดูว่าพระ ER er <t Gö owania> <Restaurant> well. ที่เทศนานที่สุดในโลกเนี่ยกี่ชั่วโมงสั้นที่สุดในโลกกี่ชั่วโมงแล้วก็เอากึ่งกลางมัธยฐานท่านทราบไหมว่าพระรูปไหนใครเทศนานที่สุดในโลกติดกินเนสบุ๊ก ไปเปิดดูนะครับ BOOK OF RECORD ์ดสถิติโลกไม่ใช่พระพุทธศาสนาครับบาทหลวงในศาสนาคริสชื่อด็อกเตอร์กาเกเกอร์เทพในโบสถค์คริสต์ติดเข้าสถิติกินเนสบุ๊กห้าวันห้าคืนเจิงเอเมนอาเอวังกินเนสบุ๊บันทึกเลยครับ ผมพูดตรงนี้เพื่อท้าทายท่านงหลายเนี่ยครับลองทําลายเศรษฐกิจเกินห้าวันห้าคืนนะครับไหนๆเราก็มีทันทีโดดร่มแล้วทําไมที่สนามหลวงนี่เลยกินเข้ากินเนสบุ๊กต่อไปนี้พระจะเทศทําลายสี่โลกประเทศอื่นเทศได้ครับเพราะคนร่วมมือครับแต่ประเทศไทยระวังนะครับโยมไม่ค่อยร่วมมือต้องปิดประตูห้ามออกพระเทศได้แต่โยมไม่ค่อยร่วมมือ เทศนานไปกับโฮเทนทำไมนานเหลือเกิน <laughs> <laughs> เทศสั้นที่สุดกี่ชั่วโมงครับตกลงเอานาฬิกาเลือนไหน <laughs> ทำให้มันเดินเร็วเวมื่อกี้มัน <laughs> <laughs> ยังนึกว่าอีกยี่สิบนาทีเผลิ่บเดียวในกาวิ่งไปยี่สิบนาที <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นเทศสั้นที่สุด <laughs> หนึ่งนาทีครับ สมเด็จโตก็คงจะได้ได้ทราบกันนะครับที่ถวายพระธรรมเทศนาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท่านเทศว่าธรรมะใดๆมหาบกพิษก็ทราบหมดแล้วเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ <c oughs> นึง่งนาทีการเกเกอร์ห้าวันหคืนเพราะฉะนั้นทางสายกลางเทศวันนี้ควรจะสองวันสองคืนหนึ่งวัน เออสามคืนกับสองวันทางสายกลางใช่หรือเปล่าไม่ใช่ทางสายกลางในพุทธนาวัดกันที่เป้าหมายเป้าหมายนะครับทุกสมุทัยนิโรธมรต์นิโรธคือเป้าหมายจึงมาก่อนมรต์มรต์คือทางสายกลางถ้าท่านจะไปเชียงใหม่ไปนิพพานทางรัดสั้นที่สุดไปนิพพานก็คือมรติอแปด ผมผมอยากให้ท่านนึกถึงภาพลูกธนูเนี่ยครับลูกไอ้เป้าธนูลูกศรที่มันซ้อนกันไปนเรียกว่ามีหลายชั้นเนี่ยยิงให้ได้คะแนนเต็มต้องจุดกลางสูงเกินไปไม่ได้คะแนนถ้ตาต่ำก็ไม่ได้ท้ายก็ไม่ไห้ขวาไม่ได้ต้องรัดทั้นที่สุดไปสู่จุดกลางตรงกลางนี่นั่นคือทางสายกลางจะไปนิพพานต้องมาพิองแปดไปเชียงใหม่ไปได้หลายทางแต่ทางไหนรัดสั้นที่สุดตรงที่สุดทางสายกลางยกตัวอย่างที่ง่ายๆคือสอยมะม่วงครับ มะม่วงอยู่สูงจากพื้นดินไปสามเมตรใช้ไม้สอยหกเมตรสูงเกินไปไม้หนึ่งเมตรสั้นเกินไปพอดีก็คือความสูงของมะม่วงถามว่าท่านปฏิบัติทำวันนี้นี่ครั้งนี้นี่ควรจะสักกี่วันพอดีอยู่กันครึ่งเดือนนี่ต้องเห็นใจพุทธมนตนนะครับจะเลี้ยงดูกันอย่างไร ขึ้นอยู่กับเป้าหมายว่าครั้งนี้ท่านปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรงานอะไรญาติโยมมาอยู่กันนี้เพื่อถวาะเทิดพระเกียรติไม่ใช่มาปฏิบัติกันจนกระทั่งทิ้งงานทิ้งการพวกเราก็เหมือนกันถ้าจะไปนิพพานแค่นี้ไม่พอเป้าหมายต้องเข้มกว่านี้แต่ถ้าเป็นการปฏิบัติเป็นสร้างบา ร, รมีขนาดไหนเพราะฉะนั้นเป้าหมายเป็นเกณฑ์ ถามว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเวลาที่เราพัฒนาเศรษฐกษิจเพื่ออะไรรู้จักพอมีความสุขปฏิบัติธรรมบริหารกายบริหารจิตก็คือไม่สุดโต่งทั้งทางกายและทางจิตไม่พัฒนาเศรษฐกษิจด้านกายจนทิ้งเรื่องจิตวิญญาณเรื่องจิตใจผมกระโดดไปข้อที่สามเลยเพราะนาฬิกามันกระโดดไอข้อที่สี่จบเลย ก็คือเรื่องพระเจ้าจั ก, กรพรรดิต้องมีสมะสมณพราหมณะปริปุชชาสอบถามไตสวนธรรมะกับสมณพราหมณ์ตรงนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแสดงให้ปรากฏว่าทรงสระพระธรรมเทศนาศึกษาธรรมะปรึกษาท่านพ ร, รู้ในเรื่องต่างๆแม้กระทัง่งการจะทำฝนเทียมเนี่ยต้องผู้ช่วยชายเรื่องฝนเทียมมาช่วย จะทําเรื่องใดก็ตามเจ้าหน้าที่ต้องรายงานกับทูลถวายรายงานและส่งพระราชชนิจฉัยที่เราจะประทักใจก็คือในฝ่ายพระสงฆ์มากก็คือเรื่องเกี่ยวกับที่ส่งปฏิบัติธรรมดังที่เรามาแล้วและเรื่องพระราชนิพลเรื่องมหาชนกพระมหาชนกนั้นเป็นหนึ่งในชาดกพระเจ้าสิทธิชาติในหลวงของเราทรงสดับพระธรรมเทศนาเรื่องพระมหาชนกเนี่ยนะครับ ในปี 2,520 จากสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชภาติการามพอฟังเทศถูกพระททยเรื่องชาดกมหาชนกกลับมาค้นคว้าเองเลยนะอ่านเลยนะเรื่องมหาชนกต้นฉบับเป็นภาษาบาลีอยู่ในพระไตรปิฎกและอาจาัจฉริยอาจฉริยานี่ยาวยาวกว่าเรื่องพระราชนิพนธ์ที่ปรากฏออกมาเป็นเรื่องที่ยาว ในหลวงทรงแปลอย่างเรียบเรียงหมายให้สั้นที่อัศจรรย์คือแปลเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรียกว่าทุกคำและไพเราะทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษมหาชนกเนี่ยนะครับให้ศิลปินแปดคนวาดภาพประกอบแปลสำเร็จเรียบร้อยเนี่ยนะใช้เวลากี่ปีสองพันห้าร้อยสามสิบเอ็ดสิบเอ็ดปีนะเสร็จเรียบร้อย พิมพ์เผยแพร่ในปี 2,539 ตาจนาพิเศษยี่เกือบ20ปีท่านถ้าไม่มีความเพียรเหมือนมหาชนกนี่ทำสำเร็จเพราะฉะนั้นในคำนำเรื่องของมหาชนกเนี่ยจึงหนังสือนี้ออกมาในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำในช่วยคนมีกำลังใจอย่างยิ่งในในในคำนำนั้นบอกว่าหนังสือมหาชนกเนี่ยต้องการให้คนไทยมีความเพียรที่บริสุทธิ์ มีปัญญาที่เฉียบแหลมและมีกำลังกายที่สมบูรณ์เราถึงจะต่อสู้กับปัญหาประสาททั้งหลายในเรื่องนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งว่าไม่ได้ทรงเฉพาะศึกษาด้วยพระองค์เองในการปฏิบัติธรรมแต่ทรงเผยแพร่ธรรมะที่พระองค์ได้ทรงศึกษานั้นและที่สำคัญนะครับผมอยากจะบอก กับพวกเราพระพิสุทธิ์สเสมนทั้งหลายในที่นี้ว่าพระเจ้าอยู่หัวหรือในหลวงเนี่ยต้องการให้พวกเราศึกษาพระพระใจไปดกไเพร่อในส่วนที่เป็นนิทานชาดกห้าร้อยสี่สิบเจดเรื่องนะครับแล้วเอามาประกอบการเทศนาชาดกนี่นะครับจะช่วยให้คนอยากจะศึกษาธรรมะแล้วเอามาประยุกต์นะครับไม่ใช่เทศโ ด, ย ด, ย, ดยดุยเนืเรื่องพระมหาชนกเป็นเรื่องประยุกต์เช่นในนั้นเนี่ยจะมี เรื่องที่ไม่ปรากฏในต้นฉบับอยู่บ้างเช่นคําว่าโพธิยาลัยมหาวิชาลัยนักการศึกษากระทรวงศึกษาที่ต้องไปศึกษาเรื่องนี้หลยโพธิยาลัยมหาวิชาลัยมหาวิชาลัยก็คือที่เกิดอารยยะแปล ว, ว่าที่เกิดบ่อกเกิดแห่งวิชาที่ยิ่งใหญ่เป็นที่อยู่อาศัยแห่งโพธิคือปัญญาตรัสรู้เราจะสร้างองค์ความรู้ปัญญาตรัสรู้แบบนั้นให้มหาชนกเนี่ยพ้นจากวัฏสงสารได้อย่างไร มหาชนกได้ยินคำว่าโพธิยาลัยมหาวิชาลัยคือสวนภูมิแหลมทองในเรื่องเนี่ยได้แก่เทวมหานครในแผนที่ในหลวงให้ตะเกียบเป็นเทวมหานครคืกรุงเทพแล้วก็ได้ยินคนเรือเนี่ยพูดถึงโพธิยาลัยมหาวิชาลัยในสวนภูมิจะไปเมื่อเลขทองไาก่กะถามโปรหิตว่าโพธิยาลัยมหาวิชาลัยเนี่ยมันหมายถึงอะไรนะโปรหิตก็กล่าวถึงว่าสงสัยจะอยู่ในสุวรรณภูมิที่นั่นเลขทราบได้ข่าวว่ามีเรื่อง ลือสีดัดตนวัตโพมหาวิทยาลัยเปิดลองไปศึกษาคำว่าโพที่มีในยัยะแห่งปัญญาตรัสรู้สร้างคนให้เป็นคนเก่งและคนดีนั้นทำอย่างไรตามแนวพระราชดำริทรงเริ่มไว้หลายอย่างเราต้องคิดกันต่อและตรงนี้อาจจะสรุป ประเด็นที่สำคัญว่าทำไมพระเจ้าอยู่หัวของเราจึงยิ่งใหญ่ธระมหากษัตริย์ในสมัยปัจจุบันนั้นจะมีอยู่สองแบบด้วยกั น, นถ้าเราไปในทางยุโรปนะครับกษัตริย์ภายใต้รัฐธรรมนูญทั้งหลายมีอยู่สองแบบหรือในเอเชียก็มีแบบที่หนึ่งลดตัวมากสุดโตรงนะมีสุดโตรงทั้งสองแบบคือทำตัวเป็นคนธรรมดาสามัญขี่จักรยานไปจ่ายตลาด กษัตริย์อย่างนี้ก็มากไปสุดโต่งอีกประเภทหนึ่งวางตัวสูงเกินไปใครแตะต้องไม่ได้ยิ่งสูงยิ่งหนาวห่างจากพระศพนิกอนแต่ในหลวงของเรานั้นอยู่ในทางสายกลางไม่ได้ลดพระองค์ลงมาเหมือนกับ สุดตกในประเภทแรกยังคงความสง่างามพระราชจริยวัตรที่เพียบพร้อมของมหาราชหรือพระมหากษัตริย์เหมือนกับภาษีสังอนเกต่ว่าผู้ดีที่สุดจะสุภาพที่สุดผู้ที่เข้มแข็งที่สุดจะอ่อนโยนที่สุดผู้ดีที่สุดจะสุภาพที่สุดผู้ที่เข้มแข็งที่สุด จะอ่อนโยนที่สุดพระราชจริยวัตรของพระบราทสมเด็จจระอยู่แสดงถึงภาษิทธิ์ น, นี้จึงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ประทับอยู่ในจิตใจของคนผู้นําที่นั่งอยู่ในหัวใจของคนวางพระองค์มีความสุขสําหรับประรไทยที่จะได้คบปะประชาชนทําให้นึกถึงแนวคิดเรื่องแม่น้ําแม่น้ํายิ่งใหญ่เพราะมันอยู่ต่ํา แต่อย่าไปดูถูกแม่น้ำมีอำนาจมีพลังจมลงไปไปดูถูกแม่น้ำจมลงไปได้แต่แม่น้ำยิ่งใหญ่เป็นพลังเพราะมันอยู่ต่ำถ้าแม่น้ำอยู่สูงอย่างต้นแม่น้ำหวงโหงแม่น้ำโขงจะเล็กเพราะมันอยู่ที่สูงแต่เมื่อไหลลงมาสู่ที่ราบที่รุ่มหยุยก็จะเป็นที่รองรับหยาดน้ำหยดน้ำจากลำธารและแหงหวยคลองหนองบึง ไหลามาเต็มผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในจิตใจของคนต้องวางตัวอ่อนน้อม่ำตนเหมือนกับแม่น้ำแต่ยังคงความศักดิ์สิทธิ์เหมือนกับแม่น้ำคงคาที่เคารพกราบไหว้ของคนอินเดียให้ชีวิตให้เลือดเนื้อแก่คนทั้งหลายเป็นแหล่งแห่งชีวิต นั่นคือพระราชจริยวัจริยวัตรของพระบาทําเด็จพระเจ้าหัวที่คงความสง่างามแห่งสถาบันกษัตริย์แต่ในขณะเดียวกันก็ทรงจักระเพดีธรรมทศพิตรราชธรรมจะกวตดีวัต ร, รประพฤติพระองค์เป็นประโยชน์แก่ประชาชนประสนิกรทั้งหลายเอื้อประโยชน์ต่างๆและตรงนี้เองที่ทําให้ยิ่งใหญ่เป็นพระมหากษัตริย์ผู้ประทับอยู่ในจิตใจของคนเพราะทรงงานหนัก ทรงทำประโยชน์ตลอดเวลาทรงเป็นมหาราชในความหมายที่มีธรรมะของพระเจ้า<ม>เจนกพัฒน์สี่ประการและตรงนี้เองที่ใครได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก<ม>็จะมีความประทับใจและถึงจะอยู่ในที่ห่างไกลก็อยากจะมาเฝ้าอยากจะทําอะไรถวายพวกท่านทั้งหลายนั้นได้ปฏิบัติธรรมะถวายในส่วนผมนะครับ ผมก็เรียนถวายตรงนี้ผมได้มีส่วนผักดนันทำอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งผมก็ภาคภูมิใจก็คือการใช้เวลาห้าปีเศษแปลพระไตรปิฎกจากภาษาบาลีเนี่ยนะครับมาเป็นภาษาไทยสี่สิบห้าเล่มโดยผมเป็นประธานคณะบรรณาธิการทาโดยเอาครูบาอาจารย์เอาทุกฝ่ายมารวมกันมหาวิทยายลายัยมหาจุฬาลงกรณ์่ อ, นอยนามเป็นเจ้าของเรื่อง ได้งบประมาณจากรัฐบาลมาสนับสนุนสําเร็จเรียบร้อยที่ผมภูมิใจก็คือสําเร็จเรียบร้อยในปีนี้45เล่มเป็นพระไตรปิฎกที่อ่านง่ายครับอยากจะให้ท่านทั้งหลายได้อ่านพระไตรปิฎกขอพูดตรงนี้นะครับไม่ได้คิดที่จะโฆษณาแต่ต้องอ่านพระไตรปิฎกเราแปลให้อ่านง่ายอย่างไรท้าทายท่านทั้งหลายไปอ่านไม่ต้องไปซื้อกระดาอ่านมีอยู่ส่งไปถวายชาวนาจังหวัดทั่วประเทศ ตรงไหนยากเราทําเชิงอัดฟุตโนตไว้ให้อ่านไม่รู้เรื่องไม่รู้จะเริ่ม อ, อ่านตรงไหนทําบทนําแนะนําทั้งเล่มให้ใจความย่อๆยยไว้อย่างไรทุกสูตรอยู่ในนั้นหมดซึ่งประไตรปิกฉบับอื่นไม่มีในภาษาไทยของเรามีหมดใช้เวลามากในการเขียนบทนำอินโทรดักชันในการทําเชิงอัดทําอะไรต่างๆคาอธิบายมากมายเราทํางานหนักเพื่อที่จะให้ธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่อยู่ในรูปของพระไตปดกนั้น เป็นที่ศึกษาผมไม่อยากที่จะเห็นพระไตรปิฎกนั่นเก็บอยู่ในตู้โดยไม่อ่านขอให้ลองไปอ่านพระไตรปิฎกจะไม่อาจฉบับนี้ก็ได้ครับอาจฉบับไหนก็ได้แต่ที่ผมภูมิใจก็คือว่าของเราสำเร็จมาทันเฉลิมฉลองในปีเจ็ดสิบสองพรรษาท่านทั้งหลายก็มีส่วนในการร่วมเฉลิมฉลองเจ็ดสิบสองพรรษามหาราชาย่างใดอย่างหนึ่งโดยเฉพออาะยิ่งในการมาปฏิบัติธรรม เทิดพระเกียรติในครั้งนี้และที่สำคัญก็คือว่าในฐานะประสงค์ขอให้นำเอาธรรมะของพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงปฏิบัตินั้นไปเผยแพร่ไปเทศเรื่องมหาชน ก, กันให้มากขึ้นเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องทฤษฎีใหม่ช่วยกันเผยแพร่ต่อไปในส่วนของญาติโยมาสาธุชนก็นำเอาธรรมะเหล่านี้ไปเผยแพร่ไปปฏิบัติก็จะทาให้เกิดประโยชน์ยิ่งใหญ่ ทำให้ให้ประเทศชาติของเรานั้นเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงถาวรและนั่นคือการบูชาอย่างยิ่งที่เรียกว่าปฏิบัติบูชาและนั่นก็จะทำให้เรามีบุญที่แท้จริงที่เกิดทันอยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของสมเด็จบรมบบพิตรพระราชสมภารเจ้ า, ราจพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยผู้ส่งพระุณอันประเสริฐ บัดนี้เราท่านทั้งหลายได้ปฏิบัติธรรมะได้ตั้งใจบำเพ็ญบุญบาเพ็ญกุศลแล้วก็ขอให้ทุกท่านทุกคนได้พร้อมใจกันตั้งกัลยาณจิตอธิษฐานอ้างเอาอำนาจแห่งบุญกุศลที่ได้าจากการปฏิบัติธรรมครั้งนี้บุญบา ร, รมีของสมเด็จพร ะ, พระศีสากยะ พศพลายานประธานพุทธมนตนสุทัศน์ซึ่งเป็นประธานพระประธานแห่งพุทธมนตนอนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรจงมารวมกันเป็นตบะเป็นเดชะเป็นพลวะปัจจัยได้อภิบาลรักษาสมเด็จบรมมาบพิษพระรา ช, ชสมภาราเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของปวงชนชาวไทยผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ให้ทรงเจริญสิสวัสดิพิพัฒนมงคลพระชนนามสุขทุกประการเทิน